ความมุ่งหมายและประโยชน์ของสมาธิสรุปตามประเภทของสมาธิภาวนาถ้าสรุปตามพระบาลีการฝึกอบรมเจริญสมาธิมีวัตถุประสงค์ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆซึ่งในอังคุตรณนิกายจตุการนิบาทระบุไว้ดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมาธิภาวนา คือการเจริญสมาธิมีสี่อย่างดังนี้คือ 1. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อที่จะทำมสสุขาวิหารคือการอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน 2. สมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อการได้ญาณทัศนะ สมสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติและสัมปัชัญญาสสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายแบบที่หนึ่งบาลีขยายความว่า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 นิยมเจริญฌานในโอกาสว่างเพื่อเป็นการพักผ่อนอย่างสุขสบายที่เรียกว่าทิฏธรรมสุขาวิหารแบบที่สองบาลีขยายความว่าได้แก่การมณสิการอาโลกาสัญญาคือกำหนดหมายในแสงสว่างอธิษฐานณทิวาสัญญาการกำหนดหมายว่าเป็นกลางวัน เหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนมีใจเปิดโล่งไม่ถูกนิวรห่อหุ้มฝึกให้เป็นจิตที่มีความสว่างอธิกถาอธิบายว่าการได้ยาณทัศนะในที่นี้หมายถึงการได้ทิพยาจักสุและท่านกล่าวว่าทิพยาจักสุนั้นเป็นยอดของโลกิยะอภิญญาทั้งห้าอีกสี่คืออิทธิวิธี ทิพยโสตเจโตปริยญาณและปุเพนิวาสานุสติญาณบางแห่งท่านกล่าวถึงญาณทัศนานี้คำเดียวหมายคลุมถึงโลกิยะอภิญญาหมดทั้งห้าดังนั้นประโยชน์ข้อนี้จึงหมายถึงการนำเอาสมาธิไปใช้เพื่อผลสำเร็จทางจิตคือความสามารถพิเศษจำพวกอภิญญารวมทั้งอิทิปาทิหาร แบบที่สมคือการตามดูรู้ทันความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่เกิดขึ้นดับไปในความเป็นอยู่ประจำวันของตนดังที่บาลีไข ค, ความไว้ว่าเวทนาสัญญาและวิตกทั้งหลายจะเกิดขึ้นจะตั้งอยู่จะดับไปก็เป็นไปโดยรู้ชัดแบบที่สี่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 มองอย่างกว้างๆ ก, างก็คือการใช้สมาธิเพื่อประโยชน์ทางปัญญาเป็นอุปกรณ์ในการเจริญวิปัสนาอย่างที่เรียกว่าเป็นบาทฐานของวิปัสนาเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดคืออาสวะขยายานหรือวิชาวิมุตติตามคำอธิบายของอัรถกถาจะเห็นว่า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 เป็นข้อปลีกย่อยกระจายออกไปไม่ต้องระบุไว้ให้เด่นชัดต่างหากบ้างในคำพีชั้นอัตถกถาท่านก็ได้สรุปอนิสงค์คือผลได้ต่างๆของสมาธิภาวนาหรือการฝึกเจริญสมาธิไว้เหมือนกันดังที่แสดงไว้ในวิสุทธิมัคมี5ประการคือหนึ่ง เป็นวิธีการพักผ่อนอย่างสุขสบายในปัจจุบันคือทิตฐธรรมะสุขวิหารข้อนี้เป็นอนิสงค์ของสมาธิคัณฑ ป, ปนาคือระดับฌานสําหรับพระอรหันต์ซึ่งเป็นผู้ทากิจเพื่อความหลุดพ้นเสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องใช้ฌานเพื่อบรรลุภูมิธรรมใดๆต่อไปอีกอ้างพุทธพจน์ว่าฌานเหล่านี้เรียกว่าเป็นทิตฐธรรมสุขาวิหาร ในอริยวินัยคือในระบอบของอริยชนหรือแบบแผนของพระอริยะ 2. เป็นบาทหรือเป็นประธานแห่งวิปัสสนาข้อนี้เป็นอนิสงค์ของสมาธิขัณ ป, ปนาก็ได้หรือขั้นอุปจาระก็พอได้แต่ไม่โปร่งนักประโยชน์ข้อนี้ ใช้สำหรับพระเสขะและปุถุชนอ้างพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงสเป็นบาทหรือเป็นประฐานแห่งอภิญญา ข้อนี้เป็นอนิสงค์ของสมาธิขัณัน ป, ปนาสาหรับผู้ได้สมาบัติแดแล้วเมื่อต้องการอภิญญาก็อาจทำให้เกิดขึ้นได้อ้างพุทธพจน์ว่าจิตนุ่มนวลควรแก่งานจะน้อมจิตไปเพื่อประจักษ์แจ้งด้วยอภิญยาซึ่งธรรมะที่พึงประจักษ์แจ้งด้วยอภิญญาอย่างใดๆก็ถึงความเป็นพยาในธรรมะนั้นๆได้ในเมื่อเหตุมีอยู่ ทําให้ได้พบวิเศษข้อนี้หมายถึงการเกิดในภพที่ดีที่สูงเป็นอนิสง์ของสมาธิขั้นอ ป, ปนาสําหรับปุถุชนผู้ได้ฌานแล้วและฌานมิได้เสื่อมไปเสียทําให้ได้เกิดในพรหมโลกอ้างพุทธพจน์ว่าเจริญปฐมฌานขั้นปริตากุศลแล้วเกิดที่ไหน ยอมเข้ารวมพวกเทพปรมปริสัชชาอย่างไรก็ดีแม้สมาธิขั้นอุปจาระก็สามารถให้พบวิเศษคือการมาวจรสวรรค์หกได้ห้าทำให้เข้านิโร ธ, ธัสมาบัติหรือนิโรสมาบัติได้ข้อนี้เป็นอนิสงค์ของสมาธิขั้นอ ป, ปนา สำหรับพระอาหารหันต์หรือพระอนาคามีผู้ดได้สมาบัติ8แล้วทำให้สวยความสุขอยู่ได้โดยไม่มีจิตตลอดเวลาเจ็ดวันอ้างยานในนิโรสมาบัติในปฏิสัมพิามรัก